กรรมฐานที่ดีนะควรจะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเองนะเพราะว่าไปไหนก็ไม่ต้องแบกหามไปอยางจะทำกระสินกสินดินกระสินอะนไรนะ้าต้องเอาดินมาปัาน้นกลมๆนะเท้าฝาบาทอะไรเงี้ยทำตำลายุ่งมากเลยเลจะเล่นกระสินไฟจุดเทียนเขานั่งดู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 เพราะครูบาอาจารย์ไม่บอกอะไรเยอะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกรละเอียดยิบเลยเพราะว่าพวกเราขี้เกียจบอกน้อยนะไม่ทำจริงรอบอกให้มากยังยังทาไม่ค่อยไหวเนาะขี้เกียจหรือว่าคิดว่าความคิดเป็นจิตก็จงใจคิดคิดอะไรดีเราคิดหมดสวมดมนต์พุทธโธสุสุธโธกรุณาหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ